บทสอบบทสอบของคนรุ่นแรกที่จะต้องที่จะต้องทำให้เห็นสำหรับคนรุ่นหลังในการเลือกระหว่างหนทางของอ l l a ะ سبحانه และ ت ع ا และการเสียสละเพื่อพระองค์เพื่อศาสนาของพระองค์โดยที่จะต้องเอาส่วนที่สละไปหรือทิ้งไปเนี่ยก็เป็นความสุขสบายของตัวเองหรือครอบครัวตัวเองทรัพย์สินของตัวเองหรือแม้กระทั่งลูกหลานของตัวเอง อยะยสบดนี่เนี่ยก็กจึง ย, ยืนยันในบททดสอบนี้ให้ตระหนักว่าละมูพึงรู้เถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าอันน่มาอมวาลูกมุมอัลลาดุกมุกมฟิตนะรัพย์สินของพวกเจ้าลูกลูกของพวกเจ้านั้น เป็นสิ่งที่ทดสอบชนิดหนึ่งเท่านั้นและอันที่อัลลอฮ์มีการกระทำทีมีรางวัลอันใหญ่หลวงในยุคปัจจุบันหรือในหลายยุคผู้ศรัทธายามสุขสบายหรือในช่วงที่ศาสนามั่นคงแล้ว มักจะไม่มีโอกาสประสบกับบททดสอบนี้บททดสอบที่จะที่จะเห็นว่าทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยทำให้ทำให้เราต้องทิ้งศาสนาอย่างสิ้นเชิงอาจจะพบบททดสอบนี้ระดับหนึ่ง ก็คือทรัพย์สินที่อาจจะทำให้เรานี่อ่อนศาสนาหน่อยคนที่เขาไยุ่งกับเรื่องการทำธุรกิจการทำมหากินก็ทำให้เรื่องความเข้งคัดเรื่องศาสนานี้อาจจะอ่อนลงแต่ลองจินตนาการที่ในปัจจุบันเนี่ยมีคนม า, ม, ามาหาผู้ศรัทธามาหา穆斯林บอว่าเอาไหมพันล้านเอาไหมร้อยล้านแล้วออกจากศาสนาเลย อามีนะแต่น้องแต่ผมว่าน้อยมากอาจจะมีนะน้อยมากแล้วคนที่จะยอมนี่ก็ผมว่าเดิมนี่ก็ในหัวใจไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรเหลืออยู่แล้วแต่สมมุติฐานของเรานี่คือผู้ศรัทธาจริงเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นสมัยน้นอนะสมัยท่านนบีสลุลตัลอะไรก็ศรัทธาเชื่อกับท่านนบีเชื่อเชื่อในในคุรานเชื่อในท่านนบีอ้าวาแล้วก็อพยพไป ไปปกป้องไปสนับสนุนนะบินม่ออกเลือกเลือกอยู่ที่มักกะทำไมอบทรัพสินฉันอยู่ที่นี่ตอนนั้นนะ่ะการที่เลือกอันเนี้ยที่ผมเล ย, เ ล, ยเลือกค่ายชัดๆเลยเลือกค่ายไม่ใช่เลือกข้างนะค่ายเลยนะค่ายใครอ่ะค่ายมักกะเนี่ยค่ายมุชริกีนไงเพราะตะกอ่อนนู้นนะ่ะมัน มันไม่ได้เป็นสังคมที่แบบว่าเออมีมี ม, มีมีสันติภาพอ่ะไม่ใช่ายมุชริกีนอยู่ที่มั ก, กาเนี่ยมุงม่งมุ่งใครที่อยู่มั ก, การนี่ก็มุ่งที่จะทำลายอิสลามและท่านนายวันดีคืนดีเนี่ยเกณฑ์ again. ไปยกทัพไปทำอะไรฆ่าพ ว, วกมุฮัมมัด ไปไตีมุสลิมไปไตีมุสลิมอย่างนี้นี่ค่ายค่ายอยู่ทไมอยู่ที่มักก้าทำไมเสียงเสียงในการที่จะเลือกค่ายทำลายศาสนาของพระเจา้าในทุกกรณีนะถ้ามุสลิมเนี่ยประสบกับสถานการณ์แบบนี้ มุสลิมก็ต้องเคียตัวเองในการเลือกขายอยู่ประเทศไหนเพราะบางคนบอกว่าอ๋อ a ล l hamdulillah ผมเองนี่อยู่ประเทศซาอาดาุดีอาระเบียอชาติเตหิตปลอดภัยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนประเทศซาอุดีนี่ก็ยกทัพยกทัพไปเยเมนไปไปฆ่ามุสลิมกันอย่างเงี้ยใช่แล้ว ก็ต้องก็ต้องเรียกค่ายเลือกค่ายนี่หมายถึงว่าเราจะยอมที่จะเป็นเครื่องมือตกเป็นเครื่องมือทําลายมุสลิมด้วยกันได้ยังไงบททดสอบแบบนี้เนี่ยตอนนั้นนะก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงแรกที่มีปรากฏการของการประทะระหว่าง ระหว่างศัจธรรมกับความทิศเป็นครั้งแรกเป็นการประทะแล้วเราสุภาพนาวดาล่ะให้ทุกคนยิ้เคียดตัวเองอ๋อละมูอ๋อละมูพึงรู้เถิดมันมีอะไรที่จะดึงที่จะลากที่จะจูงใจพวกเจ้าไม่ให้เรียกศาสนาไม่ให้เรียกพระเจ้าไม่ให้เรียก จะทําความถูกต้องแต่ เ, เ, เ, เรื่องเล็กทรัพย์สินเลืกลูกเมียสามีบ้านเดือนเลือกบา ร, รมีของตัวเองเลือกเลือกอะไรที่ที่ตัวเองคิดว่ามันมั่นคงกว่าทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยอ้างว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาแล้วอันนี้เนี่ยเป็นบททดสอบค่อนข้างค่อนข้างแรง และเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเนี่ยคนในยุคนั้นน่ะต้องเคลียร์ตัวเองชัดชัดที่สุดเนี่ยเพราะคนรุ่นหลังเนี่ยอย่างเราอะนะ mm. ก็จะหยิบยกตัวอย่างของรุ่นนั้นน่ะมาเป็นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแทในรุ่นนในรุ่นนั้นน่ะนะเออ สองข่ายเนี่ยมักกะมัดีน่าอย่างเงี้ยข่ายมุชริกีนที่มักกะข่ายมุสลิมีนที่มัดีน่าแล้วก็ไอ้บททดสอบเนี่ยไ ม, ไ, มไม่ชัดไม่ชัดนี่หมายถึงว่าเออสามารถเลือกได้ทั้งสองอย่างเลือกทรัพย์สินแล้วก็สู้กันบี หมายถึงว่าไปต่อสู้ไปทําลายนบีและศาสนาแล้วก็ศาสนากุตรานให้มันผ่านไปผ่านไปตอนนี้น่ะทหารอเมริกาเก้าซ็อาจจะเป็นมุสลิมก็ได้ที่กําลังฆ่ามุสลิมทั่วโลกทหารยูเนี่ยอาจจะเป็นมุสลิมก็ได้ที่ฆ่ามุสลิมเพราะมันนะมันทําได้ไงเป็นทหารของมุสริกินนี่มากะ แล้วก็ไปฆ่านบียกทัพไปฆ่านบีแล้วก็ศาสนาให้มันผ่านไปไม่ไม่แต่ไม่ใช่เนี่ยเราบอกว่านี้เป็นบททดสอบต้องเคลียตัวเองแล้วคนรุ่นหลังเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นมาเป็นแบบอย่างในการเคลียตัวเองเคลียตัวเองเพื่ออะไรอ่ะเพื่อการจำเนก สงครามบัตรที comb, mal, m, m, m, ่ส ورة อันฟาลเนะได้ใช้ยาวะเป็นยุโมลฟุรควานวมาอัลลอฮฺยุโมลฟุรควานยุโมลทั่วทั้งจมานยุโมลยุโมวันฟุรควานฟุรควนวันจำเนกชัดเลยสงครามบัตรค่ายอะก็คือค่ายของมักกะและก็ค่ายของมดีนะค่ายของมุชริกีนและก็ค่ายของมุสลิมิน ชัดเจนเอาแล้วจะมีใครอ้างว่าฉันได้เป็นมุสลิมแต่อยู่ค่ายอยู่ค่ายของมุชริกินไม่รับไม่ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมไม่ไม่เรียกเรียกมันมุสลิมได้ไงมีไหมมีเรื่องนี้มันปรากฏปรากฏให้เห็นเพื่อไม่เป็นข้ออ้าง อเลอสอบนูอับดุลมุตทัลิบอเลอปปสอบนาอับดุลมุตทัลิบลุงของท่านนบีและเป็นคนที่รักใคร่ท่านนบีด้วยและอางัวรับอิสลามด้วยไม่รอดมากับมุสลิกถูกบังคับไถูกบังคับยกทัพนี่ไปตีมุสลิมและแกพยายามที่จะไม่ประทะไม่ไปยุ่งแต่ไม่รอดถูกจับเป็น เฉลยซึกเป็นลุงนบีมีเส้นมีสายบ้งางหลนี่แค่ค่ายทหารเดียวกันโอ้โหโดูช่วยกันเต็มที่เลยนะลุงนบีแ ท, ท้ๆนะเป็นเฉลยศึกเหมือนกันยอามาฟุรก้อนเช็จีเนเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะคุมเคือไม่ได้จะมีชุบฮัตไม่ได้ ยามะลฟุรควานฟุรควานวันวันสงคำบัตรเรียกว่าเป็นวันจำแนกระหว่างความเท็จกับความจริงความจริงกับความเท็จขวานี่ต้องความจริงแล้ความเท็จกุรานนะก็ได้ใช้แต่บรักัลลอี่นานลฟุรนุรานก็เป็นฟุรควน เป็นสิ่งที่จำแนกอุรอ่านเนี่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นพระดำรรู้อัลลอฮฺ سبحانه และว็ต์เราอยู่ในตัวเราไหมไม่ได้อยู่ในตัวเรานอกจากว่าเราต้องเอากุรอนะ่านนั้นมาอยู่ในตัวตัวอุษรอ่านนะไม่ได้อยู่ในตัวเรามันอยู่ข้างนอกมาจากอัลลอฮ์ไง แล้ววันสงครามบัซารีอัลฟุรกอนเนี่มันก็เป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์นะมันไม่ได้อยู่ในตัวเราเราเห็นสถานการณ์ที่มันจำแนกระหว่างความจริงและกัความเท็จเราฟังกุษอ่านที่ถูกประธานลงมาที่จำแนกระนั่นจะปล่อยให้มนุษย์เนี่ย เห็นสถานการณ์จำแนกฟังกุรอานที่จำแนกและไม่บอกและจะไม่บอกเอาวะแล้วก็เครื่องมือที่จะให้การจำแนกเนี่ยมันอยู่ในตัวเราอยู่ในตัวเราเองเนี่ยมันคืออะไรปล่อยโอกาสนี้ไม่ได้อัลลอฮ์ต้องต้องสอนแล้วละเอาเป็นบททดสอบอ่ะฉันจะเลือกเลือกระหว่างศาสนา หรือครอบครัวจะเอาทรัพย์สินหรือจะเอาอีหมานฉันจะเอาอัลลอ์หรือจะเอาตำแหน่งฉันจะเอาเอาสวรรค์หรือจะเอาเอาคอนโดหรอจะเอาเนี่ยหลายหลายช้อยสในชีวิตเนี่ยที่ที่จะต้องเลือกระหว่างสองอย่างเนี่ยฉันจะฉันจะเอาเงินก้อนนี้หรือจะหรือจะตกนรกหรือจะให้เลือก الله سبحانه وتعالى جع ا ي مي เคร م م ا أيها ا ل ي ن آمنوا إن تتق الله يجعل لكم فرقانا ويُكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أني م ي أني ماي ปล ي هاي س ت ن ا ن ا จำแนกให้อันนี้บอกให้มุสลิมเนี่ยให้ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยตัวเองเนมิจะมีเครื่องเครื่องมืออยู่ในตัวที่สามารถใช้ในการจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็ผู้ศรัทธาทั้งหลายอินตตะุลลอฮ์พวกเจ้ายำเกรงอัลลอฮ์ พระองค์ก็จะทรงให้มีแก่พวกเจ้าสิ่งซึ่งสิ่งที่จำแนกระวางความจริงและความทิดอินตะตะกูหาพวกเจ้ายำมเกรงยงเย่มเกรง <c oughs> ในกุรอ่านเนี่ยความยำอมเขายอมเกรงในภาษาไทยนะแต่ายานี้ถือว่าเป็น นในบรรดาอายะสำคัญมากที่พูดถึงเรื่องตะวันในกุรานคำอธิบายคำแปลาภาษาไทยเนี่ยที่แปลคำว่ายำเกรงเนี่ยมันไม่ค่อยละเอียดนักคำว่ายำเกรงยาเกรงเนี่ยคนแรกที่ใช้เนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์อิบรอฮิมปุรชีบาง อ ธ, ธิบายหรือคำแปลกุรัานเนี่ยเขาจะบอกว่าตะกวาเนี่ยสิ่งที่จะให้ห่างไกลสิ่งที่จะให้เราห่างไกลจากนรกหรือความโกรธกริวของอัลลอฮ์อะไรที่มันจะแยกเราให้ห่างไกลเพราะอะไรทําไมเขาเลือกคําเนี้ยคําเนี้ยค่อนข้างละเอียดกว่า คำแปลนี่นะละเอียดกว่าทําไมอ่ะเพราะมันตรงกับรากศัพท์รากศัพท์ของคําว่าตะกวัวอิตะกูมุตตะตีนอินตะตะกูตะกวในทั้งหมดเนี่ยรากศัพท์ของมันเนี่ยมาจากอวกออวกอแปลว่าป้องกันมีอะไรที่มันอันตรายอยู่อะไรที่อันตรายอยู่ แลวเราเนี่ยป้องกันจากสิ่งที่อันตรายอะไรที่อันตรายสำหรับผู้ศรัทธาที่อันตรายที่สุดความโกรธขี้ัวหมองเลาะไฟนรกเพราะมันที่สุดแล้วของความเห็นะที่สุดของความเหนะความโกรธดค้หัวงมอลเนาะไม่รอดนรกไม่รอดฉะนั้นทำอะไรให้ ป้องกันไม่ประผสบกับความโกรธกลิยวของอัลลอฮ์ไม่ให้ประสบกับไฟนรกสิ่งที่จะป้องกันนั่นน่ะสิ่งที่จะป้องกันนั่นน่ะตะ ก, กวอุยกอย์อุกอย์ตะกั ว, ก, ก, ก, วก็มาจากตรงเนี้คําแปลที่บอกว่าตะ ก, กัวนี้ก็คือสิ่งที่ป้องกันเราจากความโกรธเกริยวของอัลลอฮ์และไฟนรก มันเป็นคำแปลที่ใกล้เคียงที่สุดธรรมยาวลองนึกดูซิบงับงธรรมะก็ยืนยันใช้คำนี้นะแต่ยาวนี่ตะวตวามุตตะกีนอ่อะมุ ต, ตกนีนี่คื อ, น, คอนี่คือการตอบแทนของคนที่ของคนที่มีสิ่งป้องกันระหว่างคราบยายา่าเลย อาจารย์นิบุรีมก็เลยใช้คําเดียวเพราะคําแปลเนี่ยเวลาจะแลคําว่าแปลเนี่ยนะ t r a n s l i t เนี่ยมันต้องคําต่อคําแต่ถ้าคําต่อห้าคำเนี่ยมันไม่ใช่แปลมันเป็นอธิบายแล้วมันมันเป็นชาร้อนแล้ว <laughs> อมันเป็นตับซี้แล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่แปล อาจารย์นิรุญก็เลยเสนอแทนคําแปลที่มันยาวนั่นนะเอาเลือกเอี่ยมเกรงดีกว่าแต่เยี่มเกรงเนี่ยแรกสามของก็เยี่ยมเกรงเนี่ยก็มาจากกลัวเกรงกลัวฮะเกรงกลัวเกรงใจฮะแต่คําว่าเกรงระวังตั้งกลัวและเกรงไม่มีไ ม, ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่มันเป็นการตีความทางอ้อมนิดนึงเพราะ คนที่จะมีสิ่งป้องกันระหว่างเขากับความโกรธเกลีวกับนรกเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่กลัวอัลลอฮ์เพราะกลัวอัลลอ์แล้วเนี่ยก็จะไม่ทำในสิ่งที่ให้ตกนรกไม่ทำในสิ่งที่ให้อัลลอฮ์โกรธเกริวเห็นไหมบังหนานิดหนึ่ง <laughs> มันออมนิดนึงแต่เกรงกลัว คับคาว่าตะกัวนะไม่ตรงกันถ้าจะเอาแบบคําต่อคํานะมันไม่ตรงกันตะกัวไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายรวมว่ากลนะัวฮะอุลามะบางท่านเนี่ยในอุลามะหมายถึงว่าภาษาในภาษาอรับที่อธิบายคําว่าตะกัาตะกวมาเข้ามามาเข้ามาก็อธิบายอธิบายในเชิงตีความเหมือนกันเพราะในคุรานก็มี มีพูดถึงสองอย่างนี้ด้วยกันเช่นในสุรษะอัลอัมบิยะว่ามียักชลัลลอฮวยตัคีฮีฟาอูไลกะฮุมอลฟาฮซุนพูดใดที่ยักชกลัวอัลลอฮฺวยตัคีฮีถ้าเรามาแปลวยตัตตัคีนตะกวานี่นะยักชะยักชาแปลว่ากลัวนี่ชัดวยตะคีฮีอ่าเาจะแปลไปว่ากลัวเหมือนกันนะแสดงว่าสองใช่ัหม ไม่ก ล, ล้าหลังเขาและจะตั้งให้เขาได้รับชัยชนะแต่ที่จริงเนี่ยมันคนละคนละอันกันคุณอ่านก็ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องอเป็นเรื่องที่ไม่มีความชัดเจนหรือ ค, คุมเครือหรือไม่ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง คำว่าตะก u าแล้วก็รากศัพท์ของวันตลอดคำอื่นที่มาจากรากศัพท์ตะ ก, ก, ก, กวาเนี่ยก็มีร้อยกว่าคำคำว่าตะกวาเนี่ก็ยี่สิบกว่าครั้งละมุต ต, ม ต, ต, ต, ะตะกีนมุตตะกูนอินตตะกูนเนี่ยตะูัตตะกียัตตะกูนอะไรพวกเนียอันเดียวกันเลยนะ ไปศึกษาแต่และคำเนี่ยไม่มีอายะที่อธิบายคุณสมบัติของตะกวาอย่างละเอียดอายะส่วนมากะนะจะพูดถึงเรื่องตะกวาแล้วก็คนที่มีตะกวาเนี่ยพูดถึงผลตอบแทนนี่ละสวรรค์อัลลอฮเตรียมไว้สำหรับ คนที่มีตะวแล้วก็คนที่ตคนที่จะเข้าสวรรค์นี่ที่เป็นคนที่มีตกวัเนี่ยเขาต้องทำอะไรอ่ะฮะคนที่รับชัยชนะก็คือคนียมเกรง a l แล้วก็ใครอ่ะแล้วเขาต้องทาอะไรจได้รับชัยชนะล่ะมีอายะห์เดียวในคุรานใน surah al-baqarah อาะห์ี17พูดถึงคุณสมบัติของ พวกมุตตะกีนเนี่ยมีอะไรค่อนข้างครอบคุมเลสัลวิรอันตวลูจูฮะคุมกิบเวลมาชริกีเลมะเร์ทการเปลี่ยนกิบลัดเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนกิบลัดคุณธรรมไม่ใช่เรื่องการเปลี่ยนกิบลัหันผิหน้าไปนู่นวะไรกินั่บีรอแต่คุณธรรมที่แท้จริงคุณธรรมบิรอัลบิรคุณธรรมที่แท้จริงมันเอมันลลอฮ و ذ ت الله واليوم ا ل آ خ ر لو ن ب ر ن ا و ا ل م ل ا ئ ك لست تعد ملائكة والكتاب ب ن د ك م ف ي والنبيين بندا ه و ا ل ن ب ي ج ا ت ا ن ب ِ ا ق ََِ ا ل ََ و َ ا ل ْ م َ ا ئ ََ ل َ ا ُ ل ِ م َِ ا ل ْ ع ل َ ا ُْ م و َ ا ْ ع ِ ل ُ م َ ل َ ا ئ ِ ك ُ ا ل ل َ ا ل ِ ل ُ م َ ل َ ا ئ َ ة ُ و َ ا ل ع َ ل َ ا ئ َ ة ِ ل ا ل َْْ ك ُْ เพื่อนฝูงพ่อแม่เพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยถือว่ากุ่บาคนใกล้ชิดว่าต่ละวันเราดูด้วยความหวังว่าจะด้รับความน่วยเหลือจากคนที่เดินทางและคนที่ขอความช่วยเหลือและผู้ที่มีคทาทาซี ที่ต้องการความช่วยเหลือจะได้ปลดได้อิสรภาพวะกามัสซัลลัฮ์รงซึ่งการละมาวะเต็ซ z a k a บริจาค zakat วะลูฟูนบะอาฮ์ดิห์มอิดะอาฮ์ดูบรรดาที่ س س รักษาสัญญามั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ระหว่างเขากับผู้อื่นวะซับิรีนฟิลเบซัยวะดุราบันดาบุดีอดทน อยาวิกฤตอย่างขับขันยามลาบากว่าเพียงล้วสิุลาอิกะละเดชุลเหล่านั้นนะที่ทให้ทั้งหมดนี้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเราซูลที่นำร่วมกันละมาที่บรินี่เทั้งหมดนี้นชนเหล่านั้นน่ะอกละินักูที่มีความสัตดิ์ิงว่าอุลาอิกะฮมุลมุตะกูนต้องกลับ ไปอ่านอายันนแล้ศึกษาให้ดีพอจะเรียนรู้ว่าตะกวานี่คืออะไรอายันนี้ตอบอายะอาะเดียวมาดูดิคุณอ่านทั้งหมดไม่มีอายะที่จะพูดถึงเรื่องคุณนะสมบัติของความตะกวาความยำเกรงนะตะก ua เนี่ยจะได้จะได้เป็นมุตตะกินจะได้เป็นผู้ยำเกรงต้องทําอะไรไม่มีอายะที่พูดละเอียดนะกว่าอายันนี้ สมควรใครที่จะอยากใครที่อยากจะมีตะ ก, กวัวใครที่อยากจะเป็นพวกมุตตีนใครที่อยากเะยียมเกรงอลัลลอ์นะอายาเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะทำอะไรท่องจำมากกว่าเพลงทรงชาติเอาจริงไหมล่ะ เพลงตรงชาติเนี่ยมันอาจจะบง่งบ่งชี้เออว่าเรารักชาติรักแผ่นดินแต่เข้าสวรรค์ไหมเพลงตรงชาติเนี่ยเข้าสวรรค์ไหมเ อ, เ, อเอาเข้าจริงกรถามจริงเข้าสวรรค์ไหมแล้วจะเกิดมาทั้งทีนะในโลกนี้เนี่ยไม่รู้ว่าตกวันคืออะไรอ่านกุนูเฮ้ยตะวานี่ตะวันอะไรอะไรอะไรวาวานว่า อิจารังวาปะเกิดมาทั้งทีเนี่ยได้ยินกุฎตะวามุตตะกินตะวามุตตะกิน ต, ต, ต, ต, ต, ต, ตายไปแล้วเนี่ยถูกฝังไปในหลุมศพแล้ววะนะไม่รู้นี่ตกวาคืออะไรเสี่ยงไหมที่จะไม่เสี่ยงดิเสี่ยงมากด้วยสําคัญว่าจะรู้สิทธิของตัวเองสิทธิของคนละเวงของสําคัญกว่ารู้ว่าตัวเองนี่จะจะเป็น มุตตะกีนเป็นคนดีของอัลลอ์ที่รักของอัลลอฮ์ที่สำคัญกว่าจากคุณสมบัติของเดีย๋ยวเราบอกว่าว่าอุไลกะฮุมูลมุตตะกูลชนเหล่านี้เลยคือคนทีมีความเยียมเกรงชนเหล่านี้เนี่ยสรุปแล้วคนนี้มีตะกวาละกันนะทำอะไรเนี่ย ولكن ا ل ب ر م ن آ م ن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين و آ ت ى المال على حبه ذو القربة واليتامى والمساكين ب ن سبيل و السائلين في الرقاب وأقام الصلاة و آ د ى الزكاة و ا ل م ف و ن بعديم ا ع ه د و ا ل ص ا ب ر ي ن في ا ل ب أ س ا ي وحين البأس و ا ل ص ا ب ر ي ن في ا ل ب أ س ا والضراي و ا ل ص ا ب ر ن في ا ل ب س ا والضراي وحين البأس و ا ل ص ا ب ر ي ن في ا ل ب س ا والضراي وحين البأس อุล่าอิกะ الذين صدق و ا ج ا ؤ ه المتقون การกระทาของคนเหล่านี้พอเราเอามาศึกษาดีนะเี่ยทั้งหมดเนี่ยศึกษาดีนะนี่แหละที่จะมาที่บายคาว่ายาอายุหฮัลที่น้าอามันุอินตะตะกุลลอฮ์ฮะผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้ายำเกรงอัลลอฮ์ฮะยำเกรงอัลลอฮ์ต้องทอะไรอะถึงบอกว่ากุรอานนี่ อยู่ทั้งชีวิตเนี่ยได้ได้แค่สามกุนน่ะนะไม่รอดหมายถึงว่าคุรอ่านเนี่ยเราจะเอาอายาเดียวเอาสุรดเดียวแล้วกันึกว่ารอดแล้วนะ่ะไม่ใช่อยู่ในโลกนี้เนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยอ่านกุรอ่านทั้งเล่มนะทั้งเล่มเนะี่ยฟังกุรอ่านแล้วก็พยายามศึกษาทั้งเล่มมานะมีความเสี่ยงโดยเฉพาะ โดยเฉพาะถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องอื่นอย่างกว้างขวางอ่ะแต่พอมาถึงเรื่องกุศอ่านนี่เราไม่ใส่ใจถ้าเราไม่ได้อ่านสุรบักราเท่ารชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยอ่านสุรบักราแล้ก็ผ่านแล้ก็รู้ชนเหล่านี้คือกลุ่มชนที่เหมาะมดุลละอันนี้เราได้รู้แล้วคุณสมบัติของละวันนะจำไว้ดีนะสุรบัก ร, ยรายเท่าไรแปดสิบห้าใช่ปะอยายเท่าไร 177นะอันนี้ง่ายนะเราจะรู้ตักก้านี่คืออะไร1 7อนเจ็ดตอบเลยแต่มันต้องมีสม ก, การอธิบายเพราะในอายะร้อยเจิบเจในสุรบักรานเนี่ยพูดถึงคุณสมบัติ2ประเภท ประเภทแรกเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเรื่องที่เราต้องศรัทธาว่าล้กินเนลบิรคุณธรรมนี่คืออะไรมันอัมันในละยุลย์ยมอลอาครวัลมาเลกต์วัลคิทับวัลนบียีนอันนี้อันนี้เป็นเรื่องความศรัทธาแสดงว่าส่วนหนึ่งของตะวานี่นะจะเกี่ยวกับเรื่องอีมาเรื่องความศรัทธาเรื่องหัวใจ นี่นะประเภทที่สองของักวานนี่หมวดที่สองเนี่ยคือข้อปฏิบัติว่าอาตัลมาละ على حب ه ذ و ي القربا واليتامى والمساكين و ب ن س ب ي ل والسائلين وفي الرقابي อาตัลมาละอันี้มวดอันนี้เรื่องเดียวนะวรรเดียวนก็คือเรื่องอาตัลมาละก็คือบริจาคทาน على ห ال ุ่นในหนทางด้วยความรักในหนทางอัลลอฮ سبحانه แะ تعالى ด้วยความคุ้นใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเครือญาติเพื่อนบ้านเนี่ยคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงช่วยเหลือเพื่อนฝูงทั้งหมดนี่ยนะด้วยความคนใกล้ตัววาตละะอนี้บริจางะกันคนใกล้ตัวววัยาด เด็กกำพรมาาคมิสกีน่้วยวัลคูร์ยแตมวัลมาซาคีนวับในเสบลี่คนที่ลงทาเงินวัลเซอิคนที่ขอความช่วยเหลือซอิลาฟิรีพวกทาทาสีทั้งหลายนี่ที่ขอความช่วยเหลือจะได้ ปล่อยตัวจะได้เป็นไทยถูกปล่อยเป็นไทยจะได้ถ่ยตัวไถยตัวเป็นไทยสังเกต น, นะเรื่องศรัทธาถัดมาในเรื่องบริจาคอันนี้ตรงนี้นะบริจาคทานนะในบรรดาประเภทเนี้ยวะอักร์มัสซาลาอ้าวละมาดมีมาแล้ว ละมาดนี่มาหลังหลังจากแสดงว่าสำคัญกว่าเนี่ยเพราะอันนี้อัลลอฮฺสุบฮานวะาลาพูดถึงเรื่องการบริจาคที่มีคุณภาพบริจาคที่มีคุณภาพนี่ย่อมมีประโยชน์มากกว่าการละหมาดที่ไม่มีคุณภาพเพราะหลังจากบริจาคทานนี่นะอักอมาสละใช่ปะถ้าพอย้อนกลับไปดูนะ รบริจาคเนี่ยบริจาคตรงนี้นไม่ธรรมดานะว่าทัลมาลาอัลฮุบบิฮิบริจาคทัลมาละบริจาคทานอัลฮุบบิฮิด้วยความรักรักอัลลอฮ์ไม่ได้บริจาคเพื่ออะไรยังอื่นอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่มีคุณภาพจึงมาก่อนละหมาดบริจาคที่มีคุณภาพ มากสำคัญกว่ากาลมาที่อาจจะไม่มีคุณภาพวะกามอัลสลัตวะอัตสักกาต่ะนี่อัตสักกาตะและอนนะคนละอันกันจะได้เข้าใจนะบริจาค z a k a นี่มันคนละอันกับเรื่องบริจาคสุนนะทั่วไปนี่คนละอันกันนะวะกามอัลสลัตวะอัตสักกาตะนี่ทั้งหมดนี่มันก็คือข้อปฏิบัติไม่ใช่เรื่องศรัทธาแล้วนะ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في ا ل ب أ, ن ن ب ا ب ب س ا ا ل ض و ح البس มันด้พูดที่อดทนเมื่อเมื่อความยากลาบากทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นการขึ้นไหวที่เราต้องต้องมีกิริยาต้องมีต้องมีการปฏิบัติแสดงว่าตะวันี่มีสองบวหมวดว่าด้วยเรื่องความศรัทธาเรื่องหัวใจ สองหมวดเรื่องปฏิบัติแต่เราบอกว่าตักวานี่คือเราจะมีอะไรที่ทำให้เราห่างไกลห่างไกลจากความกรดกริ้วและนรกของอัลลอสซุบฮิราะว์าละเนี่ยสมการที่จะต้องมีก็คืออินตะตะกุ ถ้าหากว่าพวกเจ้าเนียมเกรงก็หกวาพวกเจ้าเอาคุณสมบัติอันนุน่ะมาตั้งตรงนี้โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอินตัตะคูหาพวกเจ้าทําอะไรนะศรัทธาแล้วก็เนี่ยมาประกอบสมการนะถ้าว่าทําสิ่งเหล่านี้นี่นะยะจัลละกุมฟุรกอน่มันก็จะเข้าใจง่ายลงนะ ถ้าพวกเจ้ามีคุณสมบัตินี้เนี่ยพวกเจ้าจะมีฟุรกอนะกุรานเป็นสิ่งที่จําแนกสงครามบัตรนิจําแนกฟุรกอนีก็คือจําแนกรากศัพท์นี่คือฟรรัลลกอฟะกอแปลว่าแย่จำแนกแสดงว่าคนที่มีคุณสมบัติแห่งบรรดาผู้ที่ตะกวาเนี่ยเขาสามารถจําแนก จย جعل لكم فرق فرقان นะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนานะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนวนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนานะนะนะนะนะนะนะนะนะนะะนะนนนนนน นี่คือต้นทางแล้วสหายแต่เบญนบางท่านที่บอกว่ายะจะอัลละกุมฟุรควานะอัลลอ์จะให้มีอัลลอ์จะให้มีทางรอดนี่คือปลายทางถ้าเรามีสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงแล้วและความเท็จเนี่ยเราก็จะมีทางรอดเราก็จะมีทางปลอดภัยแต่ก็ยังยังไม่คิดนะเครื่องจำแนก เราศรัทธาต่อ Allah ต่อนบีต่อคำพิโรเราดารงส่งกันและมาบริจาคทานเราอดทนเราทำหมดแล้วนะคุณนสมบัตเราจะมีเราจะมีฝูงก้อนอะสิ่งที่จำแนกระหว่างความดีและความดียังไงอะนทุเรียนนี้ขนุนนี้งั้นนะ ก็ใช <S preach miracle> ่ท so totally ี่แยกแยะอันนี้ธุรกิจอันี้อันนี้หมอนทองอันนี้งานยางั้นน่ะจำแนกอดูแม้กระทั่งเรื่องเรื่องของโลกดุนยานี่เนี่ยคนที่จะจำแนกออะผู้รับเหมาเนี่ยนี่ปูนปูนนี่เนี่ยนี่ปูนนี่ดีนี่ปูนไอ้สรายนี่นี่ดีอุปกรณ์ผู้รับเหมาที่ก็าเก่งกัน พวกไอทีอันนี้อันนี้ถ้าโปรแกรมเมอันนี้ใช้ได้ น, นี่ของอันนี้ของดีอันนี้ น, นี้อาชีพของทุกคนเนีย่ยเขาจะจำแนกระหว่างของดีของไม่ดีแต่สองอย่างหนึ่งเรียนรู้เรียนรู้อย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องมีประสบการณ์ และความรู้นี่มันก็แตกต่างประสบการณ์นี่ก็แตกต่างกันน ะ, ะความรู้คนมีความรู้น้อยคนมีความรู้เยอะประสบการณ์มีคนมีประสบการณ์น้อยมีคนมีประสบการณ์เยอะบางคนนี่ประสบการณ์เขาเนี่ยเยอะถึงขั้นที่อาจจะมีความรู้มากกว่าคนที่ศึกษาเรียนรู้ใช่มเยนจบอุษษตสาหกรใหม่ๆเนี่ยมาเจอผู้รับเหมาเก่า เก่าที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยอะนะผูออ้รับเหมานี่อ๋อน้องแบบนี้ไม่ไนี่มันทําไม่ได้ไอ้นี่น้องเขาเพิ่งจบมามันได้นะเขาเคือยังเงี้งทฤษฎีไงออแต่ผู้รับเหมานี่เขาบอกว่ามันไม่ได้หรอกเ้องเชื่อลุงดิเขาไม่บอกเชื่ออาจารย์นะมีประสบการณ์นะบางทีประสบการณ์นะเพราะที่จริงเนี่ย อะไรทประสบการณ์เนี่ยมันก็คือความรู้อนะแต่มันมันเป็นความรู้ที่ไม่ได้เป็นตัวอะไรหลาอักษร น, นะตักวาก็เหมือนกันแหละบางอย่างต้องศึกษาเรียนรู้ต้องศึกษาเรียนรู้บางอย่างก็มาจากประสบการณ์อะไรที่ศึกษาเรียนรู้ของตักวาทั้งหมดเนี่ยที่เราทำเนี่ย إ ي มานนี่ย إ ي ม ا ن ต่ออัลลอฮ์ตอวันเปรตโลกต่อคมภีรต่อนบีตอกษัและกษัตรทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งบทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรายิ่งศึกษาเรียนรู้รายละเอียดของมันนะยิ่งได้ความรู้ยิ่งมีตะก u ายกตัวอย่างสั้นๆ น, นะหนึ่งในความศรัทธาที่ต้องมีจะได้มีตะก u าเนี่ยศรัทธาต่อมาลายกามีคนศรัทธาต่อมาลายกาผมศรัทธาหละมาลายกาโอเคไม่มีปัญหา แล้วรั่วอะไรบ้างมาเลการั่วอะไรบ้างอ๋อมาเลย์ก้าเทวดาอะไรดีๆนี่อะไรดีๆเราสร้างมาดีทั้งนั้นนะ่ะตอบได้แค่นี้เห็นปะก็รู้ ก, ก็ศึกษามาแล้วไงอะแต่ถ้าลงรายละเอียดละ่ะอ๋อมาเลก้าที่เราสร้างมาเนี่ยเป็นยังไงหน้าที่ของมาเลก้ามีมาเลก้าที่บันทึก เอยิ่งรู้มีอาาะไรก็บันทึกด้วยอะความดีความชั่วเห็นไหมความรู้ยิง่งยิ่งรู้มากกันนะมันก็ยิ่งส่งผลกับกับการที่เราจะเออแยกเฮ้ยไม่กล้องวงจรปิด น, นี่กูไม่กลัวหรอกกล้องอะแล้วถ้าไม่รู้แล้วว่าอาไราาก็มีอะไรก็บันทึกแค่รู้มาลาอีกอะบางทีถูกแปลในะบางคบางบา ง, บางคำแปลนะเทวดา เทวดาเรก็นึกเหมือนชาวชาวกุริชนะ น, น, นึกว่ามาเลย์กาเนี่ก็เป็นเป็นเป็นเหมือนนางนางฟ้าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะ น, นึกว่ามาเลย์กานี่ก็คือก็คือเพศเพศหญิงที่ที่กำลังเฝ้าเทวดาที่เฝ้ า, ฟ, า, ฟ, าฟ้าเฝ้าเฝ้าเมฆเฝ้าต้นไม้เฝ้าอะไรนี่แล้วก็ส่วนมากในในโบราณคดีเนี่ยก็จะวาดเรื่องเทวดาเนี่ยส่วนมากนี่ก็จะเป็นเพศหญิง แล้วก็ตำหนี่บอกว่าไปเข้าใจเอามาจากไหนอะนี่ไงไปศึกษามาจากไหนอะคือไปรู้อะไรมามันก็เพี้ยนเพี้ยนไปหมดเลยนะฮะแล้วไม่รู้อะไรเลยนี่มันก็มันก็ไม่ช่วยที่จะที่จะที่จะร่างร่างคุณสมบัติที่แท้จริงของตะกัาให้มันเกิดขึ้นแต่พอรู้ละ่ะอ๋อมาเลายกะพรู้ละว่าว่ามาเลากะ ที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์นี่แปดท่านท่านหนึ่งอะนะระหว่างระหว่างตัหมูตัหมูเขาเนี่และหลา น, นี่และบ่าเขาเนี่ยหกร้อยปีเนี่ยมาเลกาท่านหนึ่งความยิ่งใหญ่ของมาเลกา น, นะลนี่นะแล้วบรรดามาเลกาที่แบกบัลลังก์อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์สั่งให้เขาเนี่ยขอดุอาให้ผู้ศรัทธาให้ผู้เดียมเกรงอเราเรายิ่งรู้ยิ่งสนิทสนมกับมาเลย์กามัน มันจะส่งเสริมให้เราได้ได้ได้มีความสามารถในการจำแนกแยกแยะอะไรมากมายนี่แค่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งในเรื่องความรู้นะและประสบการณ์ล่ะอั น, นยิง่งยิ่งแล้วอีกประสบการณ์ในการที่จะใช้ความรู้นี่แหละถึงจะน้อยนะแต่แต่เราใช้ตลอดชีวิตเนี่ย เราจะไม่แยกแยะไม่จำแนกระหว่างความจริงและกความเท็จด้วยอารมณ์ส่วนตัวด้วยกิเลสแต่เราจะต้องมีฐานของคำสั่งสอนความรู้ที่เรียนรู้และตลอดชีวิตเนี่ยเราก็จะใช้นี่ในประสบการณ์ประสบการณ์เนี้ยยิ่งมากยิ่งทำให้เรามีมีเครื่องจำแนกฟุรก์กอันนี้นแ จำเรียกอะไรอ่ะทุกอย่างที่จะทำให้เราสามารถมีอะไรป้องกันให้ห่างไกลจากความโกรธเกวลว้ลวก็นรก น, นี้จะพาไปสวรรค์หรือไปนรกบางทีมันชัดบางทีมันชัด เล้าอย่างเงยมีวหมใครกล้าบอกว่าเฮ้ยกินเหล้าเข้าสวรรค์ทันทีกินยิ่งกินเยอะยิ่งยิ่งชัวมีใครมีใครคิดมีใครกล้าที่จะบอกว่าเออนี่เป็นแบบนั้นนะแต่พอเราเริ่มเห็นมีต้งครูก็กสูบบุรีคนดีๆคนละหมาด ก, ก็สูบบุรีบุรีนี่ก็คง บางคนอาจจะอาจจะเข้าใจว่าเออเรื่องไม่ไมากรไม่ดีนะ่แต่บางคนน่ะก็อ๋อตัวครูคนดีนี่ก็สูบบุหรี่กันเยอะนั่นนะ่ะละมากันนะพอออกจากพอละมาเนี่ก็มาตั้ง ส, สภาบุหรี่นอกสุเราเนี่นนะคนดีทั้งนั้นนะ่ะแสดงว่าบุหรี่พาสวรรค์ก็ได้เนอ้อพี่น้องเชื่อไหมเราอาจจะเกิดบางคนเนี่ยอาจจะเกิดในสังคมที่อัก เราเกิดในยุคนี้นะยุคนี้เนะี่ยตอกย้ำนะเรื่องบุหรีใช่ไหจนกระทั่งเรื่องบุหรีเนี่ยภายใต้จิตสำนึกของคนไทยทั่วไปในเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ต้องเป็นศาสนิกชนไม่ต้องเป็นคนเคร่งศาสนาคนทั่วไปเนี่ยไม่ไ ม, มเขาก็มาเขาก็รู้ด้วยความรู้ของวิทยาศาสตร์ว่าบุรีน็นเรื่องที่ไม่ดีเราเกิดในยุคนี้ย้อนไปอสักร้อยปีนะอีกร้อยปี ไม่มีข้อมูลแบบนี้นะเราจะพบอุลม玛คนหนึ่งเขียนหนังสือเล่มหนึ่งสู บ, บุรีกินน้ําชากินกาแฟาเนี่ยมันเป็นสัญญาณของอรารยธรรมที่ดีงามที่มุสลิมต้องต้องทำแต่ตะกอนนุ่นเน่ยมีต๊ะครูที่ไม่สูบบุหรีนะ่เนาะเราไม่โทษเขาตะกอนนุ่นเขาไม่รู้จริงๆนะพี่นะ้องเขาไม่รู้จริงๆนะ ถ้าผม่ดูเนี่ยคนนี้เขาถ่ายรูปกันนะเมื่อร้อยปีนะนะเมื่อเจ็สิบปีร้อยปีเนี่ยคนที่เขาถ่ายรูปเนี่ยต้องมีเข้าไปนะไปถ่ายรูปก็ต้องต้องมีถึงแม้ว่าตัวเองนี่ไม่ได้สูบบุหรี่นะบางทีตัวเองก็ไม่ได้สูบบุหรี่แต่คนที่ถ่ายรูปนเขงทําไมอ่เท่เราไม่ได้เกิดในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะเรื่องบุหรี่นี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเลวเลยนะ มันเป็นเรื่องประดับประดาในสังคมนี่ไม่มีอะไรเลยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังโตคูท่านหนึ่งบรรยายเป็นชั่วโมงอะนะไม่มีไม้ไม่มีมมมมอุปกรณ์นู่นนะเขาบรรยายกันตั้งแต่อิชายันตีสองบรรยายอยู่คนเดียวตายถุนมัสยิดก็คือในมัสยิดนี่แหละมวนต่อมวนมวนต่อมวนมวน เราขอเราเมตตาและให้อภัยโทษครูบาอาจารย์เหล่านี้เขาไม่รู้จริงๆนะเขาไม่รู้จริงๆเขาอาจจะขาดเครื่องมือที่จะจำแนกไงเควันนะ่ะมันจะมันจะผิดผิดอะไรตรงไหนอ่ะควัน่ะสูบควันพ่นควัน เราเนี่ยยุคนี้เ่าเฮ้ยยังไงก็มันไม่ดีมันไม่สวยก็คือเราไงในในยุคนี้เนี่ยเราเรานึกไม่ออกไงใครจะสูบบุหรี่ในมัสยิดนี่ใครจะสูบบุหรี่ในมัสยิดผมนี่เห็นแกตานะประมาณสามสิบห้าปีนี่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยละหมาดเป็นอิหมั่นตารเวียเสร็จแล้วก็ออกก็พี่น้องก็ก็สลามแล้วก็มีพี่น้องกันกําลังออกกันนะ สองบุหรีเอาเนาะเอาแล้วไปแช็กมาแล้วปังในมั ส, สอิดยอ่ะว่าผมยังไม่ได้จุดสักทีหมาถึงมาเตรียมตัวนะเตรียมตัวเนี่ยเอาบุรีเอาบุรีเอาออกแล้วแล้วก็พอจะออกเนาะกะน็นี่เมื่อสาสิบห้าปีเนี่ยคือไม่สาสปีเนี่ยคือเตรียมเตรียมที่จะจุดน ะ, ะเขารู้น่ยจุดในมืสส่อิษย์แต่ไม่ได้แต่เตรียมตัวที่จะจุดนี่ได้ เอาสองบุรีนิมใส่ในในกระเป๋าโต๊ะหรือเสื้อเนี่ยยืนต่อหน้าตู้ฮันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีใช่ไหม ย, ยังมีก็คนก็ยังเข้าใจไงว่าบุรีนี่มันมันผิดเฉพาะเขารู้ว่าบุรีเนี่ยอะมักโรหรือฮารามหรืออะไรก็ด้มานะก็ผิดเฉพาะสูบไงสูบแต่อาวาัง ส่ไว้ในกรเป๋าเนี่ยมันจะผิดตรงไหนเห็นไหมไม่ได้สูบสัทีขาดฟุกก่อนนะเหล้าเนี่ยมันผิดที่ดืม่มเหล้านี่มันผิดต้แต่ครอบครองนะเอาขวดเหล้าเอาขามันในขวดเหล้านี่มันในสุ้าหนี่ได้ไหมเขาไม่ได้กินสัทีไม่มีฟุรกร์แล้วเนะี่ย เนี่ยบางเรื่องมันจะชัดแต่บางเรื่องนี่สำหรับบางคนนะนะไม่มีฟุกบอลนะยิ่งลึกซึ้งในวิถีชีวิตเนี่ยมันก็ยิ่งมีอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะในการทำมาหากินค้าขายรับงานอาชีพอะไรต่างๆจำแนกระหว่างสิทธิส่วนตัวสิทธิส่วนรวมสวัสดิการที่เราต้องพึงมีสวัสดิการที่เราไม่มีสิทธิ ท, ธที่เรา ได้รับได้สิทธิ์ที่เราต้องต้องต้องหัวเราะต้องไม่ไม่ยุง่งและแต่ละคนนี้ก็จะไม่เท่ากันอุมารบนอบดอลอาซีสเป็นคลิฟานะเขาทำงานทำงานตวรวจสอบ ต, ว ต, วตวรตวจตวตรวจงานอยู่ที่ทำเนียมคีเลฟ า, านี่นะเอ้าก็ใช้ที่คีลลฟ้าใช้ตะเกียงใช้ไฟใช้ แต่เวลามันไม่พอเขาก็เสียสละกลับบ้านนี่นะมีงานยังค้างอยู่มีงานยังค้างอยู่นะของส่วนรวมนะท่านก็เบิกเบิกน้ำมันตะเกียงจากส่วนกลางเพื่อไปใช้ที่บ้านทำงาน ไอที่บ้านนะไอที่บ้านที่ที่ทำนี่แกไม่ได้ดังนะไม่ได้ดังนะแต่ตะเกียงอนะ่ะเขาเพราะอุโมงค์รามเจริญซีก็ตั้งแต่รับคิล้วบ้านี้นะแกก็สละเงินมไม่เหมือนเป็นคนประชาชนทั่วไปอ่ะก็เบิกนะ้ำมันตะเกียงจุดตะเกียงอ่ะนะทำงานส่วนรวมก็มีคนเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนอุโมงค์รามเจริญซีเนี่ยมาเยี่ยม เขาก็ไม่มีเรื่องจะคุยหน่อยเขบอกว่เรื่องอะไรครับเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวเขาบอกว่าเรื่องส่วนตัวเขบอกว่าแปบบ๊แบแป๊บนึงท่านก็ไปดับตะเกียงส่วนรวมท่านไม่มีน้ํามันที่จะจุดตะเกียงที่บ้านของตัวเองท่านก็เลยไปดับตะเกียงส่วนรวมก็บอกว่าเชิญคุยได้เอา้าท่านทําไมทําไมไปปิดไฟล่ะ เปิดดับไฟได้ไหมอะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นน้ำมันหลวงฟุรคอนของโอ้ล่เป็นดาวดิสนีย์เขาเนี่ยทำได้แต่เราอะ่ะทำไม่ได้นี่นะไฟหลวงเช็คขอเรื่องส่วนตัวหน่อยแล้วปิดปิดไฟปิดไฟผมโดนเตะเนี่ยโดนไล่โดนไล่เลยอะ่ะ อะไรจะคุยเรื่องส่วนตัวมาปิดไฟนะปิดไฟปิดแอร์อปมำร์จทำได้แต่เรานี่ยทำไม่ได้เอามันเามนเนี่ยเขามีความเมียมเกรงสูงถึงขั้นที่เขากลัวว่าล่วงเกินเงินส่วนรวมถึงแม้ว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะนะห่างดีกว่าเรานี่อาจจะไม่มีระดับนั้น ฟุรการิมันมันอาจจะมีหลายระดับที่างกันเรายิ่งฝึกฝนในคุณสมบัติของบรรดามุตตะีนเราก็ยิ่งมียิ่งมีฟุรการมากขึ้นในชีวิตของเราอินตะคุลลอฮยะจัลลัคุมฟุรการะกยุคฟิร่างกุมซียอติกุม ฟุตบอลนี่ก็คือเครื่องก็คือเครื่องมือที่อยู่ในตัวเราแล้วนะมันอยู่ในตัวเราละเพราะเราได้ดำรงได้ปฏิบัติคุณสมบัติของผู้เยียนเรียนอัเลาะตลอดเวลาเราก็จะมีโอกาสที่จะจำแนกเรามีความสามารถที่จะจำแนกระหว่างดีไม่ดีดีบ้าง ดีปนไม่ดีอะไรระหว่างระหว่างความรู้และประสบการณ์ <c oughs> บางพื้นที่เนี่ยของเรื่องความรู้และก็พื้นที่ของเรื่องประสบการณ์นะ่ะนะมันไม่ตายตัวไม่ตายตัวนี่หมายถึงว่ามันไม่สามารถฟันธงได้จึงไม่สามารถบังคับทุกคน ไม่สามารถบังคับให้ทุกคนได้ทำแล้วอ้างว่านี่มันต้องฟุรกอนต้องมีเครื่องจำแนกแบบนี้เยไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะมีฟุรกอนเฉพาะคนนะฟุรกอนจำแนกใครที่อยากจะอยู่ในระดับสูงส่งแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ ผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านอิหม่ามอัล์มัมมดิบนฮัมบัลถามอิมมอหมา่ามอัล์มัดบว่าบ้านเราช่วงกลางวันเนี่ยก็เย็บผ้าบ้านเขาเนี่ยเขาขายเสื้อผ้าช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็เย็บผ้าพอช่วงกลางคืนอ่ะไม่มีไฟเป็นคนจนไม่มีไฟแต่มันมีตะเกียงหลวงอ่ะของถนนน่ะนะ แสงเนี่ยมันก็เข้าทางหน้าต่างบ้านไฟไฟหลวงนะไฟหลวงนะมันเข้าทางหน้าต่างบ้านน่ะเขาก็มานั่งหน้าหน้าต่างเนี่ยแล้วก็มาเย็บผ้าแบบนี้เนี่ยฮาลาลไหม ไอคนอย่างเราอะนะอย่านึกจะสงสัยนะแค่สงสัยนี่คงไม่สงสัยอะว่ามัวมันเนี่ยอาแม่ทีามไปแล้วก็รู้ว่าคนแบบนี้เนี่ไม่ใช่คนทั่วไปที่จะมาถามเรื่องแบบนี้อาแม่มที่ถามไปบอกว่าใครอะใครอะที่ถามอะลูกสาวของมารูฟัลกรัร เป็นลูกสาวของคนคนหนึ่งไม่ใช่เป็นผู้รู้ที่มีชื่อเสียงนะแต่เป็นคนที่มีวะระมากเป็นคนที่มีเนี่ยมีเรื่องเรื่องความระมัดระวังแต่เขาเก่งกลัวไอ้เรื่องนี้มันจะงไงมีคนเดียวที่จะตอบได้ที่มีความรู้อามันมะทแล้วมันจะทมันจะไม่ตอบให้ทุกคนในแบบนี้เนะี่ยเพราะถามใครอะ่ะก่อนที่จะตอบนะใครอะ่ะถ้าจะได้รู้ไง พราะถามอาจจะคนทั่วไปอะนะอาจจะมีคําตอบหนึ่งใครอ ะ, อะลูกสาวมารุมมินเบติกุมเจอัลากบ้านเรือนของพวกคุณนี่แหละเป็นแหล่งของวาระนั่นหมายรวมว่าอะไรเอามาเลยนะครับมันมมบอกว่าก็สมควรแล้วพวกท่านนี่ก็สมควรแล้วที่จะต้องถามที่ต้องสงสัยต้องวาระในเรื่องนี้ เพราะคนอื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้แล้วก็ํำไม่ไม่ไหวหรอกมันเป็นเรื่องวระมันเป็นเรื่องสูงมากไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้เพราะเป็นข้อที่จริงเนี่ยเวลาเวลาเขาม า, อม า, อมาเอาเรื่องนี้เนี่ยมามาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งไฟหลวงไฟหลวงนี่ก็หมายถึงว่าเป็นเป็นสาธารณประโยชน์เป็นของหลวง่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ถูกต้องป่ะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบ ที่ตอบได้สําหรับคนทั่วไปอ้าไฟหลวงคนนี้ก็ใช้ได้จา้าจะมาทําการบ้านจะมาเย็บผ้าอะไรแล้วก็ไปขายธรรมาดาแต่นี่สําหรับคนที่วอร์รอนนี่บอกว่าไฟหลวงเขาไม่ได้ไม่ได้ทําไว้ให้คนใช้ในการทำหมา ก, กินประกอบอาชีพเราจะมาประกอบอาชีพส่วนตัวโดยใช้ไฟหลวงนี่ไม่มีสิทธิ์ อีกคนนึงมาถามอาวมติบเนฮัมบัลแต่อันนี้เนเรื่องนี้เนี่ยสมัยโน้นอ่ะนะก็เขาก็เขาก็ซีเรียสกันหน่อยมาถามอี่มาอาวมติบเนฮัมบัลบ้านเขาเนี่ยบ้านผนังบ้านน่ะนะก็ติดถนนทางหลวงก็คือ ผนังบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ถนนมันก็อย่างงี้เห็นนี้บ้านเขาไม่ค่อยสวยเขาบอกว่าไม่ค่อยสวยเขาจะฉาบและทาสีหน่อยเขาบอกว่าฉาบและทาสีเนี่ยมันจะมันยังไงอะมันจะขนาดไหนอะเขาบอกว่าไม่ไม่ถึงนิ้วนึงอะฉาบและทาสีไม่ถึงอะประมาณเซนสองเซน่ะเขาบอกว่าเป็นซุลุมเป็นการล่วงเกิน แล้วคนที่เขาล่วงเกินที่หลวงที่ป่าเนี่ยกี่ไร่นะเป็นเป็นพันพันไร่แล้วก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกละอายใจกับตัวเองกับประชาชนเลยนะเยาะวะ์กับพระเจ้าเลยนะ่ะสมัยอับดุลเลนะฮัมบัลเนี่ยแค่เอ็เสนสองเซนเนี่ยทางหลวงเนี่ยเขาก็จุลุมแล้วเป็นซอลิมแล้วเป็นผู้อธรรมแล้ว ยุคเรากับยุคนูนนี่มันเราก็เห็นข้อแตกต่างมันเป็นยังไงแสฟุร์ฟุรคอ น, นั้นเนี่ยมันก็เห็นจากกระบวนการการศึกษาการเคลื่อนไหวของผู้รู้มีผลแต่ก่อนนู้นน่ะการศึกษามันเป็นยังไงผู้รู้เขาทํำยังไงผู้รู้นี่เขากล้าพูดเขากล้าสอน คนก็ก็มีโอกาสฟังความจริงเสจ็จทำพระพูธรู้ตอนนี้แหละไม่กล้าพูดไม่กล้าฟะตวัวคนก็ไม่มีโอกาสที่จะฟังความจริงตะวามันก็ต้องอะไรมันก็ต้องลดลงแต่ทางนี้มันตัวใครตัวมันแล้วแหล ะ, ละ เพราะถ้าหากว่ามีส่วนหนึ่งของฟุรกรเรื่องเครื่องมือในการที่จะจำแนกเนี่ยที่เราจะอาศัยความรู้จากผู้รู้นะและและในยามในยุคที่ไม่มีผู้รู้ละ่ะมีคนก็เอาคลิปของเช็กสุดยสที่เขาคุตบะแช่งยู ขอดูอาให้พี่น้องปาล์ร์ตา์พวไอพวกยวนี่มันมันมันคมเหงม <c oughs> <ร>ันฮะมันเป็นผู้อธรรมพูดอย่างแรงประมาณสามสี่ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วก็เอาขุดบ้านนี่เมื่อสุกที่ผ่านไปแล้วเนี่ยกำลังอุ่นเครื่องเตรียมโอ้ท่านนบีก็เคยมีความสัมพันธ์กับยิเอา น้ําเสียงแต่ละแ ต, แต่ละขุดบ้านน่นะขุดบ้าเมื่อสี่ปีนูร้องไห้แชงยิวดายิวมันขุดบ้านบ น, นบินบัสเลยอะ่ะโอ้พระเจ้าช่วยเหลือพวกพี่น้องปาเลสไตน์แต่ขุดบ้านที่มาน้ําเสียงยินยินพี่น้องเราต้องแล้วก็พูดเรื่องนี้นะเราต้องจําแนกระวังบางเรื่องเรื่อง ามให้ให้ความเป็นธรรมเรื่องสิทธิของต่างศาสนกเรื่องอะไรใช่สินบีเนี่ยทำสัญญากับยิวถูกต้องตอนที่เข้ามาดีนะช่วงแพอยิวผิดสัญญานบีไล่ยิวออกไปอันนี้ไม่พูดมันก็มัน ก, มนก็มันก็คดีเดียวกันนี่แหละแต่พูดไม่หมดประชาชนที่ ที่เกิดแล้วก็ฟังฟังไฟเดียวหรือฟังเรื่องเดียวฟังท่อนเดียวของความจริงอะนะแล้วทําไมอ่ะ จ, จะจะมีความสัมพันธ์กับยูเป็นเป็นเพื่อนกันจะ จ, จะมีอ จ, จะมีปัญหาอะไรล่ะเอาได้มีความสัมพันธ์ได้แต่ให้ยูเนี่ยมันต้องดีกว่าเราก่อนมันต้องเลิกกันอาธรรมก่อนมันต้องคืนดินแดนก่อนมันต้องเลิก เรื่องสุลุมกรอาจจะถึงจะคุยกันอาจจะมีแต่ไม่ใช่ว่านี่เจ็ล้านพี่น้องชาวปาเลสตินเจ็ดล้ า, ลานคนเนี่ยถูกไล่จากบ้านเมืองเราก็มากอดกันอยู่มั้งเป็นเพื่อนกันได้นะบีก็เคยนะไงก็เคยแต่สงสารคนไงพอฟังผูร้รู้แล้วก็ขึ้นคุตบะที่มัสิดฮารอมแล้วก็พูดเรื่องนี้นะเครืครึ่อ ง, งจําแนกับฟุรกุกอนันนะมันก็จะเขวีแน่นอนตอนนี้เนี่ยก็ตัวใครตัวมันแล้วแหละ ทำยังไงอ่ะเราก็ต้องหาเครื่องเครื่องฟุรกอเนี่ยของตัวเราเองอ่ะมันไว้ใจไม่ได้แล้วอ่ะพยายามฟิตนะพยายามที่เราได้เห็นผู้รู้บางคนนะผู้รู้บางคนที่บิดเบือนความจริงที่ไม่พูดความจริงหรือพูดไม่หมดพูดความจริงแต่พูดไม่หมดซึ่งมันจะมีสัญญาณบ่งชีว้ว่าผู้รู้เนี่ยประเภทไหนอ่ะนะเนี่ย ตามผู้ปกครองผู้ปกครองเขาว่าอย่างไงเขาว่าตามเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามสถานการณ์การเมืองเอาพล้วก า, าตัวใครตัวมันเนี่ยเราสามารถไม่อาสัยความรู้อะไรเลยเนี่ยใช่ในบางการณีนะอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาเาจะไม่ปล่อยให้เราเป็นทาสกับความรู้ดิ บ, ดบ ที่มันสามารถแปลงแปลงได้ตามสถานการณ์เพราะความรู้เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบจะปัน้นปั้นตามสถานการณ์ได้ฟะตวนะ่ะอย่างที่เราเห็นกันปั้นตามสถานการณ์ได้ตรงนี้เนี่ยท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซลม่าฮาริสบทนึนงว่ลแล้วว่า ถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้แล้วและเราสับสนแล้วเนี่ยในหัวใจของเราเนี่ยมันมีอยู่มุมหนึ่งมันมีอยู่จุดหนึ่งจุดเนี้ยเป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลขอให้ผู้รู้ทั่วโลกเป็นล้านล้านคนเนี่ยรุมกันจะได้บิดเบือนความจริงอนะที่ที่ปรากฏนะทำให้เราในขวันะจุดนั้นนั้นนะ่ะ ที่อยู่ในหัวใจเนี่ยมันยังสามารถให้คำตอบได้และท่านนาบีได้บอกว่าเนี่ยฮะดิสบุด์ด้วยมัมอัมบัดอิสต์ฟตีกลเบกะอิสต์ฟตีถามหัวใจของเจ้าเวินเอฟตากันมุฟตูนแมนว่าพวกมุฟตีพวกคนที่ให้คำตอบเนี่ยตอบให้ท่านเนี่ยมากมายหมายรวมว่าตอบให้ท่านแต่หัวใจของท่านเนี่ยไม่สบายใจ กับคำตอบของเขาในหัวใจของท่านเนี่ยจะมีคําตอบที่ถูกต้องร อ, อย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นแสงแห่งศัตธรรมที่คอยสกิดบอกว่าความจริงมันน่าจะอยู่ตรงทุกคนนะมุสลิมม่ใชมุสลิมเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยมีจุดนั้นนะทําไมอะเพราะ Allah سبحانه และ تعالى จะไม่ให้การหลงผิดเนี่ยเกิดขึ้นง่ายกับมนุษย์ทุกคนมิฉะนั้นทางหลงเนี่ยถ้ามันง่ายอย่างนี้น่ยนะโอชะตอนไม่ต้องทำอะไรเลยที่สอดคล้องกับเรื่องนี้ حديث ที่บรรดุยบุ خار ิละมุสลิมท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซลาลลอฮบอกว่า كل مولود يولد على الفطرة. คน اللي يولد، تكلم ا ت الناس. ل ฟตัร์ลลรของล l l a h นี่หมายถึงว่าธรรมชาติของ a ลลอ h นั่นแาละที่สร้างมนุษย์ไว้พร้อมธรรมชาตินั้นๆน่ะก็นนคือความบริ ส, สุทธิ์มนุษย์ไม่ได้เกิดมาไม่ได้เกิดมาในโลกนี้เนี่ยชอบโกหกไม่ได้เกิดมาพร้อมความอยากที่จะทําความชั่ว มนุษย์เกิดมานี่นะเด็กเด็กปล่อยปล่อยเด็กนี่นี่อะไรนี่ทีวีนี่อะไรนี่ผนังฮะถ้าสอนเด็กนะถ้าสอนเด็กในอันนี้อะไรนี่สุนัขอีกวันนึงมาถามเด็กเดี่ยนี่อะไรสุนัขมันจะบอกวัวไหมเพราะอะไรเพราะมันเกิดมาอยากโกหกนะมีไหมเด็กทําเด็กทำไหมเพราะฉะนั้นเด็กพูดอะไรอนะเชื่อได้หมดเลยทําไมอ่ะเพราะเด็กโกหก ไม่ปลี่ยผู้ใหญ่อะฟิตระตัลอยนี่หัวใจที่มันอยู่ที่ทุกคนทุกคนน่ยมีอยู่แล้วอะนะในยามวิกฤตเนี่ยอัลลอฮุ سبحانه ะจะมีความช่วยเหลือพิเศษแต่เราต้องขอ เราต้องขอท่านจะเป็นมุสลิมไม่ดีมุสลิมมันนะขอดีขอจากอัลลอฮ์นี่อัลลอ์จะส่งความช่วยเหลือจะส่งฟุรก้อนส่งเครื่องจำแนกให้ท่านจำแนกระหว่างความถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมได้ฟังคลิปหลายคลิปในะคนที่เขารับอิสลามแต่เป็นเป็นกลุ่ม กลุ่มคนที่เขาเกิดในประเทศตะวันตกที่ไม่มีศาสนานะคือเขาเกิดมาเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่มีแต่ญญเขาเนี่ยพอโตแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อศาสนาอะไรเลยแล้วก็เริ่มคือเหมือนเขาถูกดีลีทดีลีดไปเลยนะถูกยกเลิกไปเลยนะอะไรที่เาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปศึกษาไปทดลองหมดเลยนะ แต่และคนเนี่ยไปดูศ า, า ส, ส, สานาซิกศาสนาฮินดูยิคริสต์อิสลามทั้งหมดเนี่ยมาจบที่อิสลามทําไมอนี่ะเกือบทั้งหมดนะเขามีคำตอบใกล้เคียงกันที่น่าสนใจเขาบอกว่าในอิสลามเนี่ยคำตอบเนี่ยมันตอบมันตอบสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติในหัวใจ เออเขาวอกเอออ๋อสิ่งที่เขาเจอนี่นะมันมันต้องหามันเข้าหาอะไรที่มันอยู่มันอยู่ในธรรมชาติในในความลึกลึกะของเราเนี่ยที่ผมบอกว่าฟิตรตลอลล์มันมีนิทานของโรเบนสันนะที่หลงไปอยู่ในเกาอะอะอันนั้นในะพวกเขียนนิทานพวกฝรัง่งในส่วนมากนี่ก็ลอกมาจากกระ เดิมเนี่ยคนที่เขียนนิทานเนี่ยเป็นมุสลิมอยู่ที่โมโรโ็อกโกก่อนโรเบนสันเนี่ยก็หลายร้อยปีชื่อนิทานในผมเคยผมเคยพูดแล้วเรื่องนี้เป็นวิทยานิพนธ์แล้วก็ทําเป็นภาพยนตร์ด้วยนะเป็นอุลามาคนที่เขียน น, นิทานในนิทานสมมุตินะนิทานสมมุติแต่ไม่ใช่โรเบนสันนะชื่อของบุคคลที่คนหลงไปอยู่ในเกาะเนี่ยเป็นเด็กนะแล้วก็ไปโตไปโตในเกาะเนี่ย ฮะชื่อไฮไฮอิบนุยักษรอนไฮแปลว่าผู้มีชีวิตยักษรอนตื่นตัวเด็กเรือรล่มมีแม่กับลูกแมเบอกแม่ตายทิ้งลูกในก่อนนี้ทั้งหมดนี่ก็มีเด็กกำลังคานอยู่กวางมาเลี้ยงกวางมาเลี้ยงก็ กินนมกับกวางอยู่กับกวางก็ตอนแรกนี่กะคานเหมือนฮะสี่ขาเหมือนกวางเหมือนเหมือนสัปสัดเหมือนอะไรพอเริ่มโตแล้วอ่ะพอเริ่มโตแล้วอ่ะนะตัวห้วยเนี่ยกระส้นก็เริ่มขิ้น้ฉันมาอย่างไงเอ้ทาไมฉันไม่เหมือนพี่น้องฉันน่ะพี่น้องก็กวางอ่ะกวางลิงอะไรนี่เอ้ทาไมขาฉันไม่เหมือนอันนะ ฉันมาได้ไงเกิดมายังไงอะไรไงเริ่มคิดและสุดท้ายเ่ยนะของฮายุปเนี่ยกรซ้อนนี่ก็คือสุดท้ายของเขาเนี่ยก็คือได้รู้ว่าโลกนี้ต้องมีพระเจ้าโรเบนสันเนี่ยไม่มีเรื่องที่มีจุดนี้ภาพยนต์ของไอเนี่ยคืออยู่ในเกาะทําอะไรไม่เป็นอะไระแล้วก็ทําบ้านเป็นแล้วก็เรียนรู้อะไรเงี้ยนะไม่แต่ของแท้นะที่อุลมามาเขาเขียนนิทานเนี่ยคือให้รู้ว่าถ้าคน เกิดในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเกิดว่ากษัตริย์อย่างนี้มนุษย์เนี่ยสามารถรู้จักพระเจ้าได้เพราะมีฟิตรอยู่ในหัวใจแล้วภาษาอะไรถ้าหากว่ามนุษย์คนนี้เนี่ยเติบโตในสังคมที่มีพ่อแม่ดีๆสอนดีมีพี่น้องมีสิ่งแวดล้อมไปโรงเรียนมีครูบาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนมีสื่อมีอะไร แต่พอเราบวกลบหารคูณในสังคมของเราเนี่ยมันไม่ใช่บวกอย่างเดียวไงมันไม่ได้เกิดมาฟิตระแล้วก็เจอพ่อแม่ที่ดีแล้วพี่น้องที่ดีโรงเรียนดีดีครูบาอาจารย์ก็ดีสื่อก็ดีออกไปต้องถนหนุก็ดีหมดขึ้นรถเม์ก็ดีดีอีดีหมดสังคมแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปสวรรค์เรสังคมเป็นแบบนี้มะไม่ใช่ บางทีเนี่เกิดมาฟิตร้าแล้วอะนะอ่ะเจอพ่อลบละัางทีเจอพ่อ อ, พอ่าบวกบวก อ, อ่ะอ่าอเจอเพื่อนบ้านลบละอ่ะบางนี้ก็เจอเพื่อนบ้านก็ดีพอไปรงเรียนก็มีลบล ะ, ะมีมีแบบนี้มีหารมีคูณเอคูณความดีแล้วก็คูณความชั่ว อ่คือชั่วบางทีนี่คูณเลยนะกระโดดเากระโดดคูณแล้วบางทีเนี่ยก็คูณความดีบางทีเนี่ยไปเจอคนดีเนี่ยโอ้โหเนี่ยพากระโดดความดีนี่ยทำดีเยอะมากก็มีสังคมมันก็เป็นแบบนี้คนฉลาดเนี่ยทำยังไงอะส่วนที่เขามีที่เป็นเครื่องมือที่เป็นฟุตกรณ น, นั้นเนี่ยในการจำแนกนะ่ะ ใช้ส่วนที่ท่านมีใช้ส่วนที่ท่านมีในการจําแนกระหว่างความดีกับความเท็จระหว่างคนดีกับคนไม่ดีที่เรามีนะที่เราสับสนถามผู้รู้อา้าวแล้วเราสับสนในตัวผู้รู้ละ่ะเป็นผู้รู้ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ใช้เครื่องมือฟุรคอนในการที่จะตรวจสอบผู้รู้เหมือนกันนะ ว่าดีไม่ดีความรู้ของเขาเนี่ยดีไม่ดีสืบประวัติสืบความรู้เท่าที่ทำได้ไมิฉะนั้นแล้วโลกดุนยานี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบทุกอย่างเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดแล้ววันเกียรม้านี่นะถ้าอัลลเห็นว่าเราไม่เลอะเธอะ เรามีการพยายามโอ้โอัลลอ์ฉันเนี่ยจะพยายามที่จะไปหาพระองค์ท่านฉันก็ถามทางนี้มันไปยังไงคนที่บอกผมเนี่ยผมก็พยายามถามคนที่ถูกต้องแล้วใช่แล้วแต่เขาก็ชี้ไปทางนี้เนี่ยก็หลงไปสักพักหนึ่งอะ่ะฉันก็รู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะใช่ฉันก็ยังพยายามนะถ้าอัลลอ์รู้ว่าเราพยายามนะแม้ว่า เรานี่อาจจะเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้พบอัลลอฮ์นะแต่ไปวันเกียรมาแล้วเนี่ยเรารู้ว่านี่ไงครับอะไรที่เราหาถ้าอัลลอฮ์รู้ว่าเราเนี่หาจริงนะนั่นนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เอาผิดเรานะในโลกนี้นะเพราะเรามีอะไรอะ่ะมีการพยายามใช้ฟุรก่อนเท่าที่เรามีแล้วไปดูนะคนที่เขาจะมี การพยายามสแสวงหาความถูกต้องเนี่ยเขาต้องมีคุณธรรมอะไรสักอย่างในบรรดาคุณสมบัติของคนที่มีตะ ก, กว่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ บ, บริจาคทานช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนอดทนเป็นคนมีคุณธรรมต้องมีแหละแสดงว่าความดีที่มีในมนุษย์เนี่ยไม่ต้องเป็นมุสลิมนะความดีทุกคนนะ่ะ แม้นวยไม่มุสลิมกันนะความดีของเขาเนี่ยจะเป็นโอกาสที่จะทําให้เขามีมีโอกาสที่จะจําแนกระหว่างความเท็จกับความจริงอยู่ที่ว่าเขาจะตัดสินใจตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนก่อนที่จะเสียชีวิตวายุคัฟร์อันกุมเซียาติกุม แม้ว่าเรามีเครื่องจำแนกแล้วแต่นั้นไม่ช่หมาล้วมว่าเราจะปราศจากมลทินเลยนะไม่ทำความผิดเลยนะเพราะเราอาจจะเผล่ก็ได้อาจจะเลือกผิดก็ได้ก็มีโอกาสที่จะทำความผิดเพราะถึงแม้ว่าจะมีความผิดแต่เราอีกก็ยังมีฟุรกอนเนี่ยแล้วกับพยานที่จำแนกกันนะอัลลอฮ์ก็จะยกโทษอยู่แค um ่ฝรังคุ้มเสียอธิุมและจะทรงลบล้างบรรดาความผิดของพวกเจ้า วยะกุฟิรละกุมลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้าและจะส่งอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าวยฟิรละกุมวลลฮูุลฟัตะซมลอัลลอฮนั้นคือผู้ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวงบุญคุณเพราะอะไรเพราะถึงแม้ว่าเรามีเครื่องจำแนกนะ สมมติฐานของคนที่มีเครื่องจำแนกเนี่ยจำแนกแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะพลาดใช่ปะ่ะอันนี้ร้อนอันนี้เย็นก็ไม่ต้องยุ่งกับร้อนใช่ปะ่ะแต่ทำไมรู้แล้วเนี่ยร้อนเย็นแล้วก็ยังยังดันไปจับน้ำเดือดนี่ก็มากินอีกอ ะ, ะมีไหมล่ะมีมีม การพยายามของเราที่จะจำแนกถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดแต่อลอก็ให้อภัยโเนี่ยบุญคุณบุญคุณทำไมอะ่ะเพื่อไม่ให้คนสิ้นหวังเออไม่ใช่ว่าอลออยากจะให้เราเป๊ะเป๊ะนะมีมีเครื่องมือในการจำแนกต้องเป๊ะเป๊ะนะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีพาดอย่าพาดนะว่าอย่างนี้นะอย่าให้เส้นหนึ่งเส้นในกยานะ ไหมอย่างนี้เลยนะอัลลอฮ์บอกว่าไ ม, ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีพลาดอ่นแหะต้องมีเสยแอสมีความผิดแล้วอัลลอฮ์ะจะยกโทษเลาจะให้อภัยให้และนี่คือบุญคุณของอัลลอฮ์บุญคุณของอัลลอฮ์นี่ว่อัลลอฮ์ะจะดูหัวใจหัวใจมุ่งมั่นไหมที่จะจำแนกมีพลาดแต่ก็ยังมุ่งมั่นนะยังมุ่งมั่นนะอัลลอฮ์ก็ให้อภัยได้ แต่ที่สุดเนี่ยคำถามก็คือคุณสมบัติของตะกัาที่เราพูดตอนข้างต้นเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยรู้มาจากไหนร้อย่เจ็ดสิบนเนี่ยมาจากไหนมาจากกุรอานถูกต้องมาก็แสดงว่า คุณสมคุณสมบัติของตะกวาที่เรา gọi อินตะตะกูเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาจากอัลกุรอานเราจะมีโอกาสเราจะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ศึกษากุรอานยิ่งมารู้นะยิ่งมารู้ว่าเขาเอาเราบอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นอะไรอ่ะแารกลดีนซลฟุรกานยิ่งรู้ว่ากุรอานนี่ทั้ง ทั้งเล่มนะไม่ใช่เฉพาะอาะอายะสิบเจรูคุรอ่านหกพันกว่ายานินะทั้งหมดนี้เป็นฟุรคก น, นะคิดดูดิแ่าบารกักทีนั้นเสฟุรคกนนะเราก็ยิ่งอุ่นใจสบายใจแสดงว่าถ้าเราศึกษาคุรอา่านเราก็จะมีเครื่องจำแ น, น่นี่แหละครับสำหรับผู้ศรัทธาจึงไม่มีทางเลือกอื่นจากว่า เราอ่านกุรอ่านยิ่งศึกษากุรอ่านยิ่งเรียนรู้กุรอ่านยิ่งเข้าใจกุรอ่านยิ่งมีฟุร์กอนมากขึ้นนะครับอัลลอฮฺสั่งละลาอุนเบญีอัสซาบิย์อัสสวามุลสลมุอะลัยคุมุรานตุบะยรักส่วนตัวเนี่ยไม่คื้อสินค้าเมกาแต่มีคนถามผมว่าซื้อสินค้าเมกาแล้าปับไม่ปั๊บครับคือมันไม่ได้มีสินค้าอะไรของ เชื้อชาติใดๆนะังคนอเมริกาเนี่ยไม่ใชคนอเมริกาทั้งคนอเมริกาเนี่ยจะเป็นศัตรู อ, อิสลามเนี่ยไม่ใช่และเรื่องบอยคอร์เนี่ยเราก็พูดมาเยอะแล้วเนี่ยเรื่องบอยคอร์เนี่ยมันเป็นท่าทีและจุดยืนมันไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดไม่มีหมายถึงว่าบอยคอร์เนี่ยก็ต้องบอยคอร์ดสินค้าอเมริกาทั้งหมด สมมติโคนมีโรคหัวใจไม่มียานี่ต้องอันนีอนนอ้อันนู้ไม่ต้องคุยเลยอันนี้ไม่ต้องคุยเขาบางคนบอกอ้าวมียาหัวใจตายดิตายยอมตา ย, ตา ย, ตายก็ได้บ่ขอจะได้ฟั ง, ฟงเช็คเลยคือถ้าจะมาเถียงกันแบบนี้นีผมไม่ไหวจะเถียงอ่ะมันมันมันเยอะอ่ะอันนี้ข้ามไปเลยความจําเป็นอะไรจําเป็นนะ่ะนะผมว่าแม้กระทั่งสินค้าบางสินค้าเนี่ยที่ไม่จําเป็นน่ะนะไม่ที่ไม่จําเป็นนะ่ะ น, นะนะไม่ใช่ว่าบาปนะ ไม่ใช่ว่าฮรอมนะแต่อยู่ที่ว่าเรามีจุดยืนแค่ไหนเนี่ยในส่วนที่มันจะเป็นฟุรคอนอจะเป็นจุดจำแนกว่าควรไม่ควรเราเห็นว่าสินค้านี่สมมตินะครับว่าสินค้าเป็นอาหารอะไรชนิดหนึ่งแม้ว่ามีฮาลาลนะแต่สินค้านี่บอกว่าบริจาคกำไรหาปรเซตให้รัฐบาลนิสเรออยเงี้ยแล้วรัฐบาลนิสเรอเกาทำอะไรอะ เขาเลี้ยงพี่น้องบาหรือไสอย่างดีเขาเลี้ยงเคฟซีเขาเชิญมาเขาทำเนียวแล้วก็เลี้ยงเนี่ย เ, เราก็ควรที่จะมีมีจุดจำแนกอะไรสักอย่างหนึ่งนะแค่เป็นจุดยืนแต่ตัวสินค้านี่นะอ ย, นะ อ, อ, อย่างนั้นเครื่องดื่มอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ไดีฮารอมในตัวมันไม่ไดีบาปในตัวแต่ก็อยู่ที่จุดยืน mm. อย่างน้อยเนี่ยเราก็อย่าว่ากันใครคิดอยากจะบอยคอรดนี่ อันนี้เขาถือว่าเขามีจุดยืนใครไม่อยากจะบอยคอรดเราก็ไม่ประนามเราไม่ประนามแต่เราขอให้พิจารณาเพราะเราในบางทีเนี่ยอย่าว่าจะฆ่าพี่น้องของเรานะคนเจ้าของร้านขายชำปากซอยนี่มาด่าพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เรา เดินปากซอยเนี่ยมันก็ไปใส่พ่อแม่เราเนี่ยเรานี่จะทําอะไรจะกล้าไปซื้ออะไรไหมจะกล้าไปคบหาสมาคมคนที่ประนามคนที่ทําร้ายจิตใจของเราอะ่ะทำไหมเรายอมไหมเราจุดยืนแล้วก็ถ้าคนอื่นนะ่ะถ้าคนอื่นไปซื้อไปอุดหนุนเขาอ่ะนะเฮ้ยนี่มันมันดา่าพ่อแม่เรานะนะใช่ปะ มันด่าพ่อแกไปยังไงเฮ้ยมันไม่ฮารอมนะมันไม่บาปนะมันไม่อะไรอะนะแต่มันไม่บาปมันไม่ดีว่ามันบาปแต่มัดาพ่อแม่ใช่ไ่มแค่นี้ยมันเป็นอะไรที่และไอ้ที่ผมนําเสนอเมื่กี้เนี่ยเป็นตัวบทหลักฐานไหมไม่เป็นบทหลักนี่เป็นพ่อแม่ไม่ใช่เป็นตัวบทหลักฐานมันเป็นเครื่องจําแนกที่มันอยู่ในอยู่ในจิตสํานึกของเราอ่ะ ที่มันต้องไม่ไม่ต้องมีตัวบทหลักฐานมาชี้นําคนฆ่าพี่น้องของเราอ๋อธรรมาดาเราต้องแยกแยะไอ้ที่ต้องแยกแยะนี่นะก็คือต้องไปขอเพราะว่าต้องแยกแยะนี่คนละประเด็นบางทีก็มันมันได้แค่ อ, อธิบายแล้วก็ให้เหตุผลนะ่ะแต่ไม่สามารถที่จะบอกว่าเออมีตัวบทว่ามันฮารอมวะเนี่ยอันนี้เราไม่กล้า